ธรรมะสู่ฟังก็หาหาเนนที่บวชใหม่ก็มีบวชเกา่าก็มีแต่ที่อย่างไรก็ดีผู้บวชมาจะใหม่ก็เป็นพระเป็นเนนเหมือนกันเรื่องการบวชคือการฝึกอบรมตัวของตัวให้ละชั่วความเป็นดี การบวชการบวชมาศึกษาต้องศึกษาทุกด้านตาเห็นหูได้ยินจิตเลื้อคิ ด, คดศึกษาไปในตัวพอเราบวชมาจะต้องดูแลคิดงทุกอย่างลังบวชต้องถุ่งตัวเองเป็นพระกรรมกร ไม่คยพระาชาคณะอะไรกรรมาฐานเป็นพากรรมกรทำได้ทุกสิ่งทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างกินได้นอนได้อย่างสะดวกสบายขอวัดปฏิบัติภายในวัดเราไม่เคยรักษามา ก, ก่อนว่จะไม่ทราบ ไม่พอใจบางทีการไปยินทบาตประตูหน้าต่างก็ไม่ปิดถ้าฝนตกมา <c oughs> ก็สาดเข้าไปถูกเสือถูกหมอนถูกของสงให้เสียหายไปหาอาบหรือาอะไรก็ต้องเก็บตอนกลางคืนมาบางทีนอนหลับฝนตกอ <c oughs> าจเสียหายไปทุกสิ่งทุกอย่างส้องรอบคอบรักษา เราไม่มีคนใช้พอที่จะดูแลรักษาเรานี้ไปที่อื่นเปิดตูหน้าต่างปิดสิ่งของปิดคนเก็บงานอย่างไรคนเก็บเงาไว้ไป ห, หน่าดูไม่อย่างนั้นเกิดวความเสียหายขึ้นก็ลําบากทั้งตัวและปอื่นนอกจากนั้นสิ่งของมีขั ง, ขงควรรักษาเก็บไว้ให้เป็นขี่เป็นฐาน พอาบางทีโจนมานมาเจอเขา้าเขาจะขมโมยเอาไปแต่ก็ไม่เคยเจนในวัดนี้แต่บางทีมันเป็นขึ้นอาจจะเป็นอาจจะเห็นจะรู้แต่ตอนอาจารย์มาอยู่ยังไม่เคยมีแต่ก่อนนันเคยมีเหมือนกันเวลาไปวินทบาทเอามาขมโมยเอายามเอาของของเขาคะหนีไปนี่เรื่องของการรักษาบริฐาน การรักษากายใจองตนก็เป็นอีกอันหนึ่งซึงเราทุกคนบวชมามุงหน้าจะฝึหัดดัดตัวของตัวการรักษากายการรักษาวาจาเป็นทางที่ตัวของตัวจะรักษาเองกายจะรักษาอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยเป็นไปเพื่อความสวยงามแล้วก็ ต้องรักษาเพราะต่างคนต่างใหญ่ไม่ใช่เด็กที่มาบวชเป็นสระเป็นเนรการรักษาใจก็เคยให้คติเตือนมาหลายครั้งหลายทีผู้ที่เคยอยู่มาก่อนผู้ที่มาใหม่ก็ต้องรักษาใจเหมือนกันใจเป็นต้นเหตุที่ให้พวกเราท่านยุ่งเหยิงวุ่นวายหากเรารักษาใจไม่เป็น ปล่อยใจให้คิดนึกตึกตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นสายชั่วสายเสียสายโลกอย่างน้อยก็ทำใจให้เศร้าหมองหรือเสียเวลาไปหนักเข่าก็ทำใจให้ฝูงกรุงไปใหญ่จนอยู่ในเพศสมณะไม่ได้อาจสืบหาลาพโออกไปพอใจฝูงปรุงคิดนึกว่าเหืืองของโลกเป็นของดิีของดีกว่าเหืืองการ อยู่ในวัดในวาการเป็นพระเป็นเนนศินสมาธิปัญญาเป็นของลาสมัยสู่โลกสมัยใหม่ไม่ได้คิดไปปรุงไปในทางเสียทางหายนี่คือการมนรักษาจิตรักษาใจของตนพระพุทธเจ้าบัญญัติศีดขาไว้เพื่อให้นักบวชได้ศึกษาือศีลสมาธิปัญญา วิชาสิกขาจิตตาสิกขาบัญญาิสิกขามนี่เป็นทางศึกษาของนักบวชศีลของเนนก็ไม่ใช่ว่ามีแค่สิบตัวที่รับจากอาจารย์จากอุปชัยะเท่านั้นศีลสามเนนก็มีมากเหมือนกันเสกิวัตรเสกยวัตรทั้งเจดิบห้าก็เป็นศีลของสามเนนพระก็ไม่ใช่ว่าจะมีเพียงสอง้อยยี่สิบเ็ดเท่านั้น พระวีัยทุกข้อตั้งสองหมื่นต้องสองหมื่นสองพันเป็นของพระพิษุ ส, สามเณรที่จะต้องรักษาที่จะต้องศึกษาให้รู้ให้พอใจมีเป็นเรื่องของศีลถ้ า, าเราไม่ามาละมั่ระวังไม่รักษาศีลไม่มีศีลประจําตัวความชั่วความเสียหรือโลกวัตระทวามติดศิลนินทาภายนอกก็จะทับผมเข้า แต่นั้นพวกเราเป็นนักบวชยิงได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานเพราะยิงจ่องมองเป็นพิเศษเพราะเขาชื่อว่าพระนักปฏิบัตินักกรรมฐานเป็นผู้ปฏิบัติดีเรียบร้อยสวยงามหน้าเปล่าวใบหน่าเทารพน่าเรื่อมใสเมื่อมาเห็นเข้าอุทยามอะไรา ย, ยากทางศีลมีด่างค้อยหรือเสียหายไป เขาก็จะดูหมิ่นนินทาว่าพระกรรมาฐานสำนักนั้นวัดนั้นเพราะเพื่อในศีนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เลยเสียไปเพียงคนเดียวทำให้หมู่คณะเสียหายไปเหมือนปลาตัวเดียวเน่าก็เลยทำปลาตัวอื่นให้เน่าหม็นไปตามเราถ้าหาก ไม่สามารถที่จะรักษากายวาจาน้ําใจของตัวได้โดยอุบายของตัวเองก็อให้แล้วลึกเนิกคิดถึงภาษาศาสนาถึงภาษาศาสดาผู้เป็นครูสอนของเราว่าเราทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเสียไปกว่าจะเสียส่วนใหญ่คือเสียภาษาศาสนาเสียศ า, าสดาซึ่งเป็นถูกบริสุทธ์ ดอกนั้นก็คิดนึกถึงครูอาจารย์นักบวชดโดยกันหากเราเสื่อมเสียรายการทำชั่วคิดชั่วต่างๆาพระกุอนสูงถึงมีชีวิตยอยู่ในศาสนาเขาก็จะติีสินินทาไปคิดหลายข้อหลาย ม, มุมมาเตือนใจของตัวให้งดให้ละอายจากชั่ว รักษาศีลของตัวให้ดีเมื่อศีลมีอยู่ในตัวไม่ได้ทําชั่วฝูดชั่วอย่างไรถึงแม้เรื่องของใจยังไม่เป็นสมาธิความเยือกเย็นของใจหรืออา น, นิสงส์ของศีลก็มีอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าคนนั้นเมื่อจุตติหรือตายไปจากอัตภาพนี้ก็จะมีสุขติเป็นที่ไปอย่าง <c oughs> อันนี้สงฆ์ของศีลที่ถังเก่าวไว้พิเลนทสุขจริงเยี่นติผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ผุดพองมีศีลประจําตัวแล้วถึงแม้จะไม่มีสมาธิคนนั้นตายไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่อันนี้สงฆ์ของศีลยังเป็นพื้นเป็นทางที่จะให้สําเร็จพระนิพพานได้อีก ในเดือนของศีลนักบวดทุกคนควรสนใจควรรักษาศีลรักษากายวาจานี่เป็นศีลส่วนหนึ่งศีลหรือวัดอันอื่นอีกก็มีเสนาสนาวัตรเวชกุตดีวัดหมายถึงห้องน้าําหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยนั่นก็ต้องจะต้องมีวัดมีศีลเป็นส่วนรักษา <c oughs> ไม่ใช่ว่า อยู่ไปนอนไปธรรมดาเราต้องรักษาดูแลทุกสิ่งทุกประการไปส่วนใดที่จะเป็นทางเสียหายส่วนใดที่จะเป็นไปเผื่อความไม่ดีเราต้องรักษาดูแลปฏิบัตินี่เป็นวัดประจํานักบวชเ <c oughs> มื่อวัดภายนอกดีแล้วศีลภายนอกดีแล้วศีลภายในคือใจ ก, กว่าปกติค่อยดีขึ้น สะอาดขึ้นการฝึกอย่างศีลภายในการฝึกจิตฝึกใจเพื่อเป็นสมาธิความมั่นคงของใจกวเพราะการรักษาศีลภายนอกดีเด่นทุกสิ่งทุกประการไปใจก็ไม่เดือดร้อนแผ่เขาตัวเองเพราะคิดเห็นทาขอวัดปฏิบัติทุกอย่างที่เราทำไปเกิดความปีติดีใจ ว่าเราไม่ไปทําชั่วทําเสียอะไรจิตก็มีความยิ้มแยมแจม่มใสเบิกบานเราจะบริกรรมทาภาวานาก็สงบง่ายสะดวกสบายมีการรักษาศีลรักษาใจไม่ใจหน้าที่ของคนอื่นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนมีมุ่งมั่นมาประฏิบัติจะต่องรักษาตัวของตัวพอโอกาสเวลา บางท่านบางคนก็มีนิดหน่อยเล็กน้อยช่วระยะไม่กี้วันมาบวชแล้วก็จะได้คึกหาราพ้นไปบางท่านบางคนก็ยังไม่แน่นอนใจว่าจะบวชไปกี่กี่วันกี่เดือนเพราะจิตใจยังไม่มีพื้นเทของอัดของทมอะไรแล้วก็ไม่รีบรักษาไม่รีบปฏิบัติจิตใจซึ่งเคยฝูงปุงอย่างไรก็ปล่อยไปอย่างนั้น พอไม่มีวันเวลาการบวชกายบวชง่ายบวชใจบวชยากสร้างอะไรพอสร้างได้ตึกบ้านล้านช่องใหญ่โตเราหั ว, วหฐานพขาสร้างได้บวชวิหารใหญ่โตเขาก็สร้างได้แต่สร้างจิตใจของคนจะให้เป็นพระเป็นของสร้างยากแต่ก็กุ้มค่าหาผปู้ใดสร้างจิตสร้างใจของตัวเป็นพระเป็นของปว่เสือ ผู้นั้นจะมีความสุขความสบายมากยิ่งกว่าได้ปราาทดิหารหรือโบทหลังใหญ่ๆพอจิตใจที่สร้างเป็นพระได้เป็นจิตใจที่ประเสริฐและไม่เสื่อมสลายไปเหมือนวัตถุที่ก่อสร้างจากด้านวัตถุต่างๆฉะนั้นพวกเราท่านผู้มุ่งมั่นมาประพปฏิบัติึงสร้าง จิตสั่งใจของตนให้เป็นที่พักที่อาศัยใจที่ไม่มีที่พักที่อาศัยก็เหมือนกายไม่มีที่อาศัยที่อยู่ฝนตกก็ต้องรบต้องถูกแดดออกก็ไม่มีร่มเงาอะไรติดบังคนนั้นจะนั่งจะนอนไม่คอยมีความสุขไม่สะดวกสบายทางกายเราก็พอเห็นเรื่องทางใจก็เหมือนกัน สร้างที่อยู่ที่อาศัยท้องใจการสร้างที่อยู่ที่อาศัยท้องใจก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากอาัดคำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะสร้างหายใจของเราเป็นพระคือเป็นผู้ปเป็นเสด็จกว่ามนุษย์ธรรมดาสร้างได้ถ้าสร้างไม่ได้ครูอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีคําสอนมาสอนโลกท่านสร้างสร้างอย่างไร ใจิตใจของท่านจึงมีที่อยู่ที่อาศัยมีความเยือกเย็นในใจิตในใจของท่านประวัติของพระพุทธเจ้าบางท่านบางคนก็เคยศึกษาบางท่านบางคนก็ไม่เคยศึกษาว่าท่านสร้างมาอย่างไรครูอาจารย์ก็เหมือนกันการสร้างจิตสร้างใจท่านแนะ น, นําำําสอนให้ไปสร้างในที่สงบสงัดคือที่วิเว้หมายถึงที่ สังัดกายไม่ไดเกี่ยวข้องวุ่นวายในการงานด้านอื่นผู้คนไม่พุกท่านในสถานที่นั้นเสียงไม่รบกวนแล้วกำหนดจิตของตนในบททมอันใดอันหนึ่งซึ่งนิสัยของตนชอบจะ ก, กำหนดลมหายใจหรือบทพุทโธธรมโมทังโคได้ทางนั้นเจสาโลมาได้ทางนั้นให้คิด ผูกใจมั่นว่าทำบริกรรมของตนข อ, อ น, นี้ <c oughs> จะทำความดีให้เกิดขึ้นเพราะจิตใจเคยปรุงปรุงไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆปล่อยไปเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีตลอดปัจจุบันบางท่านบางคนไม่เคยประสบพบเห็นความสงบสงัดของจิตมีแต่คิดแต่ปรุงอยู่อย่างนั้นติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆ ไม่หยุดไม่ถอยแต่อารมณ์สัญญาส่วนนั้นได้อะไรมาเป็นเครื่องตอบแทนนอกจากความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนจิตใจเท่านั้นเราคิดว่าเราเคยคิด เ, เคยปรุงปรุงไปต่างๆนั้นเราเคยคิดมาแล้วความทุขทุกอย่างไรเคยรู้จักในจิตในใจของเรามา แต่การสัมผัสทางศาสนาการสัมผัสในธรรมะของพระพุทธเจ้าความสงบสงัดท้องจิตที่พระพุทธเจ้าหรือปรากทั่วไปถือว่าเป็นของดีวิเศษนั้นเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นขึ้นในจิตในใจของเราฉะนั้นเวลาเราภาวานาเราตั้งหน้ากำหนดอะไรให้ตั้งใจกำหนดอ น, นั้นเชื่อมั่นว่าจิตจะสงบได้และทาไป อย่าให้จิตเผลอสติอย่าให้จิตปรุงคิดไปส่วนอื่นถูกมั่นอยู่ในธรรมวิกรรมของตนผูกมั่นอยู่ในสัญญาที่หมายเอาไว้ไม่คิดไปส่วนอื่นจิตใจเมื่อไม่มีทางสายแสแบไปที่อื่นก็มีวันที่จะรวมตัวสงบระงับได้ ความสงบลางงาคล้องใจถึงเราไม่เคยเห็นเป็นมาแต่ก่อนจะเกิดอัตเซจันว้ยพอใจสงบเท่านั้นตายทั้งตัวไม่รู้ว่าเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยหนักเบาอย่างไรปล่อยไปหมดจิตไม่มาเกี่ยวข้องสัมผัสกับธาตุขันตวนนี้ลงสงบ เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นเบาสบายสุขยิงยวดติ ด, ด, ด, ดจิตจิตใจเวลาจิตถอดถอนมาก็อยากจะให้เห็นอยากให้เป็นอย่างนั้นความเชียนก็มากเข้าศรัทธาความเชื่อเมื่อเห็นในตัวของตัวก็มั่นเข้าอะไรเลยไหลไปตามกันเพราะความเห็นความเป็นของจิต สงบสงัดเท่านั้นความเชื่อความเลื่อมใสความเต็มใจอยากประพปฏิบัติเกิดขึ้นอิทธิบาททั้ง4ี่สันทรัรักให้ในการทำความผาบความเพียรในการกำหนดบริกรรมของตนวิริยะผาบเพียรพยายามอยู่สม่ำเสมออยากจะให้จิตรู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นจิตตะเอาใจใส่ไม่ปล่อยทุละ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดไปบินทบาทก็กำหนดจิตไปนั่งอยู่สถานที่ใดก็กำหนดจิตอยู่นี่เรื่องของ <c oughs> จิตสงบสงัดเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้รับความเยือกเย็นของใจพอสมควรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้าง ที่พึ่งที่อาศัยของใจถ้าหากเป็นของเลี้ยวไหลของไม่จริงแล้วเรื่องของศาสนาจะต้องมมีใครตั้งหน้าขอพ ฤ, ฤ, ฤ, ฤ, ฤ, ฤ, ฤ่ปฏิบัติเพราะทำไปไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อะไร <c oughs> นี่ผู้ทาผู้ปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงอยู่ความเห็นความเป็นของท่าน มันไม่ใช่ด้านวัตถุพอจะยกออกมาอวดกันว่าจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นสุกอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเป็นวัตถุ <c oughs> ครูอาจารย์ถ้าจะเอาออกมาอวดให้เห็นคนทั่วไปก็จะต้องติดอกจิตใจอยากจะกจะทำบำเพ็ญอันนี้มันไม่เห็นเราคอยใจว่าเรามืดบอดอย่างไรครูอาจารย์และท่านผู้อื่นก็จะเป็นอย่างนั้น ความ้อใจของพวกเราท่านมักเป็นแบบนั้นจึงไม่เชื่อมั่นอยากสะเพริปฏิบัติหากเราเห็นเป็นขึ้นในตัวเป็นสันธิชิโกหรือปัจจตังแล้วทาคำสอนถึงจะลี้ลับขนาดไหนตัจกในจิตในใจของผู้ปฏิบัติคือเราเองจะไม่เชื่ออย่างไรทุกคนก็จะต้องเชื่อเพราะเห็นความสุขความสบายพอใจ เมื่อใจมีความสุขความสบายอยู่ภายในแล้วจะไปสถานที่ใดความสุขความสบายนั้นก็นจะต้องจิตตนตามตัวไปเหมือนเงาไม่เคยละจากตัวอยู่ในสถานที่ใดมีความสุขความสบายเรื่อยไปจิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้อย่างนั้นลงรวมได้ในบางการบางสมัย หากติดอกชอบใจในความสงบถ่ายเดียวไม่มีการที่นิจพิจรารณาเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญญาหาทางที่จะพิจรารณาความติดข้องค้องใจความลาดถอนข้องใ จ, งใจก็ได้แต่เพียงความสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะลาจะถอนขึ้นลาดถอนก็เพียงความสงบระงับดับไว เหมือนหินทับยาไม่ได้ถอนล่าของยานั้นขึ้นมาเมื่อยกหินออกยาก็งอกขึ้นจิตเมื่อเท้าสมาธิความสงบระ ง, งับดับกิเลสต่างๆถึงเคยคิดเคยปรุงก็ดับลงไปแต่ไม่ได้ถอดถอนเรื่องกิเลสตัณหาภายในใจของตัวนี่แต่ระงับดับเอาไว้ในสาว ที่ลงรวมเป็นสมาธิพอถอถอนขึ้นมาจิตใจก็หยัคิดนึกไปในแง่ต่างๆฉะนั้นท่านจึงสอนผู้ที่มีสมาธิของใจให้ใช้ปัญญากําหนดพินิจพิจะะารณาตามการตามเวลาที่ควรจะกําหนดพินิจพิจะะารณาสิ่งต่างๆให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงเมื่อจิตรู้เห็นตามเป็นจริงสิ่งที่เคยจิตค้อง มันก็จะถอดถอนออกเพราะเหตุใดพอเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นนี่เป็นทางปัญญาที่พวกทานเนนหรือผููปฏิบัติจะต้องศึกษาพอจิตสงบอย่าไปจิตแต่ความสงบถ่ายเดียวพอถอดถอนขึ้นมาก็ให้พิจรารณาทางด้านปัญญาจะพิจารณาอะไรด้านปัญญาก็พิจารณากายพิจารณาใจพิจารณาขาดขันอายตนะ จึงมีอยู่ในตัวของเรานี้แหละไม่ใช่เปไปพิจารณาอื่นซึ่งพิจารณาอื่นก็นองเขามาใช้เป็นภายในได้ชื่อ่เป็นมีปััสนาเป็นทางที่จะแก้ไขจิตใจที่เคยติดข้องเสามองต่างๆให้รู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นจิตใจที่ไม่รู้เห็นตามเป็นจริงหลงอย่างนั่นอย่างนี้เพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง พอเลยจิตข่องเสารมองยึดถือถ้าผู้เห็นตามเป็นจริงพิจารณาด้วยสตยิปัญญาของตัวจริงจี่เคยจิตค่องต่างๆมันหลุดลอออกไปอย่างไรจะเข้าใจเพราะตัวของตัวเองเป็นผู้กำหนดเป็นผู้เห็นผู้รู้ไม่เหมือนที่จิตยังอยู่ในขั้นใน ม, มีสมาธิถึงปัญญาจะเสียบแหลมขนาดไหน ที่เจรณ า, าไปก็เป็นสัญญาไม่เหมือนจิตที่มีสมาธิถ้าจิตมีสมาธิเป็นปัญญาละถอนได้ความรู้เห็นอันเดียวกันแต่จิตอย่างหนึ่งละถอนไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิไม่มีกำลังข้องใจรู้ชิวเผินไปส่วนความเห็นความเป็นที่มีสมาธิไม่เป็นอย่างนั้นรู้เห็นอะไรเห็นจริงไปจาก และถอดถอนความยึดมั่นสำคัญหมายต่างๆฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิแล้วบำเพ็ญปัญญาให้เกิดมีในจิตในใจของตนส่วนทีมุตเป็นอย่างไรเราคอยใจทราบจากใจของตัวอีกปัญญาในขั้นที่มีสมาธิรู้เห็นอะไรต้องสืบสอบเข้าไป หาเหตุผลความเป็นจริงของมันเห็นรูปแทนที่จะไปตัณนิชมต่างๆว่ารูปนั้นงามสวยอย่างนั้นอย่างนี้หรือกิอกเลสไม่เป็นอย่างนั้นจะพิจาจรณ า, าเข้าไปถึงภายในรูปอันนั้นมันประกอบขึ้นจากอะไรและมันจะคงทนถาวร อ, อยู่ เท่าไรและจะแตกสลายไปไหมพิจารณาเข้าไปตามทางธรรมะทางไตรลักไม่มีความรักความชอบความปิดข้องพิจารณาหาของจิงจะเป็นหญิงเป็นชายถ้าพิจารณาได้ก็เป็นอันเดียวกันเพราะคำสมมติตั้งหาที่ว่าหญิงบาชายคำบากายก็เป็นสมมติ ธาตุที่ประกอบเหมือนกันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรผิดแตกแตกต่างกันถ้าพูดถึงเรื่องของอาสุพอาสุพังในเรื่องของกายไม่ว่าหญิงว่าชายก็สก ป, ปรปกเหมือนกันไม่มีอะไรที่หอมหวนส่วนดมคนที่รูเห็นตามเป็นจริงของธาตุเข้าใจชัดเจนด้วยปัญญา มีสมาธิภายในใจจะตัดขาดความลุ่มหล ง, งต่างๆไม่ยึดมั่นสำคัญหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามความกำนัดยินดีเมื่อไม่มีจิตไปไข่ ค, คิดติดตามสมมติว่าสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลยังแต่เป็นท่ามันจะไปกำนัดยินดีกับอะไรใจก็จะต้องถอดถอนความยึดมั่นส่วนนั้นใจก็เบาใจก็สบาย ไปสถานที่ใดไม่มีใครอันตรายสําหรับที่จะเป็นข่าสึกแก่ใจว่าไปรักคนนั้นชอบคนนี้นี่คือผู้เป็นพระนีจิตไปรเสรเิฐเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาไปสถานที่ใดไม่มีอะไรจะเป็นข่าสึกแก่ใจของท่านพวกเราจึงควรพยายามฝึกอบรมตัวข้องตัวด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา เพราะเวลาโอกาสที่จะฝึกอบรมมีหน้าที่การงานด้านอื่นเขารับเอาหมดอาหารการอยู่กินมีผู้คนภายโนโอกเขาส่งเสียสนับสนุนให้ขอให้เต็มใจประพืชปฏิบัติอัธธรรมเถอะเชื่อว่าผู้ประพืชปฏิบัติอัธธรรมจะไม่มีการอดจนไปสถานที่ใด มีคนเขาดูแลรักษาเราจึงเป็นโชคลาบอันใหญ่โตที่ได้มาบวชเป็นพระเป็นเนนในศาสนาผ้าผอนทอนสบายเขาก็หามาให้เพียงแต่ตัดเย็บย้อมเท่านั้นรักษาที่เขาหามาให้ไว้ให้ดีตามส่งควรแต่ทาันนาทีของตนไม่ใช่หรอเขาเอามาให้เรจะทิ้งอย่างไรก็ทิ้งไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่อยู่ที่อาศัยเขาปลูกสร้างไว้ให้สำหรับเป็นที่พักขอนภาวนาไม่ใช่เขามาเอาผ้าเอาอาหารหรือเจ้าอาณาจรปลูกไว้จะให้มาสะสมกิเลสตัณหาเขาสร้างขึ้นหรือเขาถวายมาเพื่อความสะดวกของสมณะคือผลูกปฏิบัติศาสนาจะได้อยู่ สะดวกสบายและมีโอกาสเวลาภาวนาทำความเพียรเต็มที่เต็มฐานเมื่อรู้เห็นเป็นจริงอย่างไรมีความสูกกายสูกใจอย่างไรเข้าใจภายในตัวจะได้ไปแนสอนคนอื่นให้เขาได้ระ ง, งับดับทุกข์ไปอีกมีข้อขวองใจจิตใจอะไรในธรรมะจะได้เข้ามาหาสมณะนะผู้ประพฤติปฏิบัติศึกษาหาความรู้ ทางจิตใจง่ายยาที่อย่คขบฉันแก่โรคใครๆเจ็บเขาขอหามาให้อีกตรงลงว่าพระเนนผู้บวชในศาสนามีโชคลาภอันใหญ่หลวงเพราะชีวิตเป็นอยู่โดยคนอื่นเขาหามาให้มาถวายโดยไม่คิดมูลค่าราคาอะไรแต่เราจะไม่เต็มใจประพฤ่คุณงามความดีหรือ มันแนะนตัวข้องตัวสม่ำเสมอมีสมณะสัญญารู้ว่าเราเป็นพระเป็นสมณะพู้สงบไม่ควรคิดปรุงเรื่องนอกจากอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรพูดยาปลาศัยไปในทางศีลธรนมกถาไม่ควรทํางานซึ่งเป็นของนอกรีธนอกรอยจากอัตธรรมมันแนะนตัวข้องตัวอยู่อย่างนั้น วันคืนที่ผ่านไปทําประโยชน์แก่กายแก่ใจของตนเดินจงกรมภาวานากำหนดรักษาจิตใจมันเสื่อมมันเจริญอย่างไรชิดปรุงฝุ่งไปเรื่องอะไรเพราะเหตุอะไรกำหนดคนคิดที่ทา น, านาี้พิจารณาหาทางแก้ไขปรับจิตปรับใจของตัวเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นแหละบวช มาหรือเกิดมาไม่เสียเวลาไม่เป็นโมฆะบุคคลจะมีความสุขความสบายเยือกเย็นเป็นผลมาให้แก่ตนของตนผู้ปฏิบัติฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นสมณะเป็นพระเป็นเนนจึงควรรักษาควรปฏิบัติหน้าที่ของสมณะอย่าไปคิดว่าวันนั้นก่อนเดือนนี้ก่อนปีนั้นก่อนเพราะ ชีวิตของมนุษย์เราไม่มีเครื่องหมายในประกันอะไรไม่ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่อายุมากอายุน้อยตายไปทั้งนั้นเราเคยเห็นเต็มหูเต็มตามาแล้วเด็กๆมันกอดตายวันเวลาที่เราอยู่สบายไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนจึงควรตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณงามความดีส่วนใดที่ควรจะได้จะถึงจะเห็นจะรู้ เรียบเร่งกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้รู้ในจิตในใจเมื่อจิตใจได้ละถอนสิ่งขัดข้องต่างๆรูปไม่มีการสงสัยเสียงกลิ่นรสต่างๆละไสจากจิตจากใจของตนตลอดความลุ่มหลงติดข้องของใจต่างๆได้หมดไปตกไปที่สุดวีมุต นิพพานเป็นอย่างไรมาจากอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงจะตายวันนี้เดียวนี้นาทีนี้ไม่มีเวลาที่จะเสียใจเพราะเหตุใดเพราะจะอยู่ไปอีกหมื่นปีแสนปีคุณความดีจะประพฤติปฏิบัติเ ด, ดเดียวขนาดไหนความเป็นของใจจะก้าวหน้าอีกหรือไม่ไม่มีทางที่จะสงสัยเข้าใจถึงที่สุดเมื่อจิต ใจของตนถึงที่สุดเป็นดีมุดอย่างนั้นจึงมีความสะดวกสบายตายอยู่มีคุณค่าเท่ากันไม่มีอะไรที่จะเสื่อมจะเจริญอีกต่อไปเพราะใจเป็นวิมุิสมมติทั่วไปไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเกี่ยวแฝงมีความบริสุทธิ์สงบระงับอยู่ตลอดการตลอดเวลา ทันจริงว่านาทิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบอย่างนั้นไม่มีความสงบของจิตของใจสมาธิเป็นอย่างหนึ่งความสงบของจิตของใจที่ว่นไปจากสมมติเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ดีเรื่องผลเราไม่ต้องคำนึงคำนวณหรือไปขาดสรรเหตุที่เราจะทํานั้นเป็นข้อสำำําคัญเราจะทําอย่างไร ใจของเราจรึงจะเป็นสมาธิใจของเราจรึงจะเกิดมีปัญญาวิชาวิมุตต์นี่เป็นเหตุที่ทุกคนจะควรคิดนึกฝึกตัวให้มากเข้าเมื่อเหตุมีแล้วผลไม่ต้องสงสัยจะต้องเห็นต้องเป็นขึ้นเหมือนกันกับเรารปลูกผลไม้ต่างๆขอให้บารุงลาต้นของมันให้ดีถ้าต้นของมัน ไม่เหี่ยวแห้งไปล่มตายไปรักษาเอาไว้สมบูรณ์ทุกอย่างดอกผลของมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปบังคับบัญชามาให้ออกตรกดอกออกผลอย่างนั้นอย่างนี้ถึงการถึงเวลามันออกผลเองมีการบำเพ็ญเหตุคือมรรคเราจะกระทำแบบไหนวิธีใดอย่างไรเป็นหน้าที่ของเรา จกควรที่นิพิจารณาสอนใจทำขนาดนี้ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นเราจะต้องเพิ่มกำลังเขาอีกความเพียรเขาอีกเพื่อให้รู้เห็นเป็นขึ้นนี่เป็นเรื่องทุกคนสนควรสนใจเพราะนักบวชไม่มีอะไรยิร่งนักบวชอยู่ป่าเป็นพระธรรมฐ า, านการงานด้านปกครองต่างๆไม่มี หน้าที่มีแต่จะหลับตาภาวนากำหนดจิตกำหนดใจของตัวแต่รชั่วบำเพ็ญดินดีอยู่สม่ำเสมอจิตใจฟ้องผู้ที่รักษามีภาวนาประจําตัวไปสถานที่ใดสะดวกสบายไม่เอิเกระเลิกเฮหาจะอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นพันก็สงบเงียบเพราะต่างท่านต่างคนมุ่งมั่นประพฤตปฏิบัติตนของตน แล้วก็ไม่หนักใจในผู้ใหญ่ผู้ปกครองเพราะต่างคนต่างรักษาตัวของตัวอยู่สมเสมอสิ่งใดที่ชั่วที่เสียไม่ว่าจะทำจะพูดเพียงแต่คิดเราก็ยังมีสติสอนใจของเราว่าสิ่งนี้ผิดไม่ใช่ทางของสมณนะรักษาอยู่อย่างนั้นมันจะมีอะไรหนักกันเพราะต่างคนต่างท่านต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษา ไม่ว่าแต่งต่กลกายวาจาแม่แต่ใจก็รักษาอีกนี่ผู้ปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่มีทางเสียหายสบายสะดวกเพราะต่างคนต่างรักษาความสงบสงัดไม่เออกระเลิกเฮฮาขู่ปุยกันถึงเมื่อมีความขัดข้องท้องใจก็ไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้เหนือเราท่านจะให้อุบายอะไร ที่เราติดข้องอยู่นี้ไปศึกษาได้ถ้าท่านมีสติปัญญามีความรู้เห็นดีเด่นกว่าเราท่านก็จะแก้ไขและเนี้ยทางให้มีผู้ปฏิบัติในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างนั้นหรือสมัยครูอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นท่านเคยฝึกทรมานเพื่อสู่สามเณร อยู่ในวัดของท่านเป็นอย่างนั้นเงียบสงบทั้งวันทั้งคืนแม้แต่ไอจามกมหามือหรือผ้าอุดปัตรักษาความสงบกันหน้าที่ของใครที่จะทำอย่างไรก็ทำไปทวินัยก็เรียบร้อยเรื่องจิตก็รักษาเรื่องวิปัสสนาคือด่านปัญญา ก็คิดคน้นฝึกฝนตัวของตัวโดยต่างคนต่างอยู่สงบสงัดถึงจะมีมากขนาดไหนก็ไม่หนักใจสำหรับปูกปกครองถ้าหากไม่อย่างนั้นเพียงสองคนก็ทะเลาะ ก, กันเพราะต่างคนต่างไม่รักษาอยากปูดจารืแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปเพียงคนเดียวไหมฮะ เดียวกับคนอื่นใจก็่ามกว่าคิดนี่คือการไม่รักษาไม่มีทางที่จะสงบระงับได้ไมีหมายถึงสิ่งที่ไม่รักษาไม่ดีของดีต้องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไปมีคุณค่าต้องรักษานี่จิตใจของเรา ที่จะให้ดีได้เราต้องรักษาอย่าปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเห็นว่าเป็นทางผิดจากอาจจะทํารีบแนสอนตัวว่าเรามาบวชเราเป็นนักบวชจิตลงอย่างนี้เป็นทางอากุศลจิตเป็นทางโง่ทางเสียเมื่อเรามีสติอยู่ในจิตในใจรักษา อยู่ทุกวันทุกเวลาจิตใจของเราจะสงบระงับหรือก้าวหน้าไปสู่อัตธรรมขั้นสูงขึ้นไปฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นทีนิติเจรนาแล้วฝึกกายวาจาใจของตนไม่ใช่มาบวชแล้วที่เหลียดตัณหาจะตกไปหลุดไปไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าหรือสาวกของท่านล้วนแต่ฝึกหัดดัดตัวมาเท่านั้นไม่ใช่บวชแล้ว หมดกิ่เล็ดเองถ้าอย่างนั้นผู้บวชก็จะมั่นคงในศาสนามีธรรมะธรรมโมมีความสุขความสบายโดยทั่วหน้ากันมีที่ผู้บวชเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขไม่ได้ก็เพราะไม่ชำละยิ่งเล็ดปัญหาไม่ชำละความจิดข้องของกายวายาจใ จ, ใจขลองตนดังนั้นเราทุกคนกุมมุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติจงฝึกหัดดัดตัว ละชั่วบําเพ็ญดีสอดแต่นั้นไปกายวาจาใจของเราก็จะเกิดความสุขความเจริญตามความมุงมาติาถนาของตนแต่นั้นการอธิบายธรรมะวันนี้คว <c oughs> เห็นว่าขอสมควรเวลาขออำนาจ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โงกลุ่มคองรักษานักปฏิบัติ ให้รับความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเยวัง